ของกอฟพอเลยนะในยกมือขอดูหน้าหน่อยกอฟะพอใช่วยกมือนิดนึ่งค อ, อ, อสมีเวลา3วัน2คืนใช่ไหมเป็นคอสกรรมฐานที่สั้นนะจ้นกะชับมาก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 มีชีวิตคืนเดียวก็น่าชมลนะอยู่ในพัะเทกรัตตสูตรมีชีวิตยอยู่คืนเดียวก็น่าชมนะมีชีวิตยังมีคุณค่างี้นเรามาเติมคุณค่าให้ชีวิตของเราด้วยธรรมะมาฟังให้เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติไปสองสามวันไม่น้อยหลักของการปฏิบัติไม่ยากอะไรนะพูดง่ายๆง แค่แรกพกเราต้องรักษาศีลก่อนศีลจำเป็นมากเลยถ้าคนยุคนี้ดูถูกการถือศีลถือว่าเป็นเรื่องตาต้อยไม่เหมือนการเจริญปัญญายุคนี้ยกย่องปัญญาดูถูกศีลถ้ายุคโบราณนะดูถูกปัญญาด้วยยกย่องสมาธิยกย่องศีลกับสมาธิยุคนี้ยังยกย่องปัญญามาก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 ก็ได้สันโดษเรียกสถารสันโดษสันโดษในสามีปัญญาของตัวเองกามท่าตีความให้กว้างขึ้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดทปะทั้งหลายสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มายั่วอารมณ์ทางตาหูจมูกลินกล้นกายถ้าเรามีความสำรวมระวังมนะันจะเกิดข้อดีใจนี่เจอไม่หมกมุ่นในกรามกรมาคุณอารมณ์ ภาวนา ง, ง่ายนะเพราะฉนเบื้องต้นอาจจะรักษาศีลข้อสามไม่นอกใจสามีพัญญาแนะต่ไปภาวนาไปเรื่อยพบว่ากรมไม่ใช่แค่เรื่องสามีพัญญากรมเป็นเรื่องความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่มีความสำรวมระวังนะในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสะร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 พิจารณ า, าธาตุขันธ์ก็ไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนะพวกที่บวชรุ่นเดียวกันเขาา้าบรรลุพระอราหันต์ไปหมดแล้วองค์นี้ไม่ได้อะไรเลยท่านเสียใจเสียใจมากนี่ท่านก็เลยวันหนึ่งนะท่านเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองดีนะไม่ยังมีปืนยิงหัวสมองนะนี่เอมีดโกนมาปาดคอปับเขาให้แล้วก็นึกขึ้นมาได้ไว่าเอตลอดเวลาที่เราบวชมาเนี่ย ไม่มีความดีเลยจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่จริงตลอเวลาที่บวชมาทําอย่างอื่นไม่เป็นเลยแต่รักษาศีลเคร่งครัดที่สุดเลยอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามนะไม่ทําอะไรที่ท่านให้ทำนะก็ทำํำหลักของพระวินัยพระมีทั้งสองด้านนะอะไรที่ท่านห้ามแนละ้วก็ไปทําเข้าเนี่ยก็อาบัตินะอะไรที่ท่านบอกว่าควรทําแล้วไม่ทำนะก็อาบัติอีก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 เราอย่าดูถูกศีลนะศีลสำคัญมากคนทุกวันนี้วุ่นวายมากโลกทุกวันนี้วุ่นวายมากนะทาร้ายเบียดเบียนกันตลอดเวลาฉก ช, ชิงกันตลอดเวลาข่มเหงรังแกกันตลอดเวลาเพราะคนไม่มีศีลนะบ้านเมืองที่มันไม่มีศีลนะมันก็เป็นบ้านเมืองของสัตว์นรกเป็นบ้านเมืองของเปรตของอสุรากายเห็นบ้านเมืองของสัตว์เดรัจฉาน เนรชานบางตัวอย่างรักษาศีลมีนะเนรชานบางตัวเป็นโพธิสัตว์รักษาศีลมีตัวอย่างด้วยคือพญานาคชื่อผู่ลิทัตนะรักษาศีลเป็นศีลชั้นยอดด้วยสินะเป็นปรมาตตบารมีนะพญานาคชื่อผู่ลิทัตภู่ลิทัตโตไม่ใช่หลวงปู่มั่นนะเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรา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 ไม่ขโมยนะเราของกินมาตั้งไว้นะน้ำลายไหลยืดยืดก็ไม่กินนะต้องใส่จานของมันมันถึงจะกินส่วนข้อสามประพฤติผิดในกามหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ตามไปดู <laughing> มันมีลูกเราก็ไม่รู้ว่าผัวมันเป็นหมาโสดหรือหมามีเมียแล้ว <laughing> ไม่รู้หมาจดทะเบียนไหมข้อสี่มูสาหมาตัวนี้ไม่มูสาไม่โกหก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 สมาธิสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะอย่างอาราละดาบทุตกดาบท์เลยเนี่ยได้สมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนด้วยอาทิตย์เดียวนะจบหลักสูตรล้วได้ฌานแปดและของเก่าของท่านท่านเคยทํามาแล้วแต่มันไม่ล้างกิเลสเนี่ยสมาธิสงบมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขนะสว่างว่างสบายนะอย่างอาราละดาบนะ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 ใจวุ่นวายนี่ฤาษีนี่ฝึกจนจิตไม่หมายอะไระความรู้สึกตัวเหลือนีด้เดียวแต่ไม่ได้ขาดสติก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะออกมาจากสมาธิกิเลสก็มาใหม่สมาธิไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยแบบนี้นี่บางคนว่าสูงส่งนะหลวงพ่อก็บอกว่ามันต่ำต้อยทำไมมันต่ำต้อยเพราะพวกนี้ตายในสมาธิไปเกิดในรูปปัจม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 การปรุงแต่งแล้วมันก็เลยไปกว้าขึ้นมาในความปรุงแต่งเมื่อหยิบเอาตัว อ, นนอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเราอันอื่นไม่ใช่เรามีเรามีเขานี้แยกขึ้นมามีของเราของเขาขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ดูตวนไปเรื่อยนะมีแต่เรื่องรูปประธรรมก็นา ม, มาทำตลอดสายเลยในอะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราอนท่านบรรลุพระอราหันต์เนี่ยเพราะท่านเห็นความจริงของรูปของนามนั่นแหละแต่จิตที่จะเห็นความจริงของรูปของนามได้ต้องเป็นจิตที่ตั้งมัน่น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 พบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนในตัวชาติมีทั้งรูปธรรมนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขนะ์ทุกข์เป็นอะไรไปคิดเอาเองเ <c oughs> ฉลยมาตั้งสิบเอ ต, ตัวแล้วเห็นไหมว่ามีแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลย <c oughs> ถ้าเราใจลอย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 แล้วเรามาฝึกสมาธิชนิดที่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ฝึกสมาธิให้ลืมเนือ้อลืมตัวให้เคลิมงอกงอกแง๊กวิธีฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหารมก์กรรมาฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไหมงั้นบทเรียนที่จะให้เกิดสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าจิตสิก ข, ขา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 ถ้าเมื่อไรเราลงมือปฏิบัติแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทึ่อนะใช้ไม่ได้เรารู้ตัวได้เลยนะว่าใช้ไม่ได้แล้นะต้องผ่อนคลายรู้ตัวไปอย่างสบายวิธีที่จะได้จิตที่เป็นผู้รู้นะหาทำกรรมาฐานสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตพุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งคำว่าพุโทโธนะเพ่งการคิดพุดโทโธรู้ทันนะหรือว่า